สิ่งที่คนเราทั่วไปกลัวมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวัดร้างตึกร้างป่าช้าร้างซึ่งตามธรรมชาติแล้วค่ะมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์จำพวกหนูพวกมแมลงแล้วก็นกชนิดต่างๆซึ่งบางแห่งนะคะอาจจะเป็นสัตว์มีพิษที่เข้าไปอยู่อาศัยด้วย บรรดาสัตว์เหล่านี้ที่เข้ามาอาศัยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปคนไม่ค่อยกลัวเท่ากับความเร้นลับที่ไม่มีตัวตนแอ บ, บซ่อนตัวอยู่แล้วก็คอยมองเราอยู่ในนั้นอย่างเงียบเงียบนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีความจำเป็นจริงๆคือไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแม้จะมีความกลัวหรือว่าวันวหวพรั่นพึงอยู่บ้าง ถ้าเป็นสัตว์ป่ามันสามารถแก้ไขได้ค่ะป้องกันได้ด้วยวิธีที่ไม่ค่อยจะยุ่งยากนักเนื่องจากว่าสัตว์ป่าบางชนิดเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้หากว่าเราไม่ไปทำร้ายพวกเขาก่อนมันก็จะไม่มาทำร้ายพวกเราเช่นกันแม้แต่ว่าสัตว์ที่เรากลัวที่สุดก็คืองูพิษทั้งหลายนะคะหากว่าเราไม่ไปเหยียบหรือว่าไปทาร้ายพ ว, าพวกเขาก็จะอยู่ตามปกติเหมือนที่พวกเขาเคยอยู่ คนธรรมดาอย่างพวกเราทุกๆคนค่ะคงไม่มีใครอยากจะแวะไปพักบ้านร้างตึกร้างหรือแม้กระทั่งป่าช้าร้างแม้ที่แห่งนั้นเนี่ยจะดูว่ามีความปลอดภัยก็ตามเพราะว่าคนธรรมดาที่ยังกินอาหารสามมื้อพูดตามตรงค่ะว่ากลัวดวงตาลึกลับที่แอบซ่อนอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งที่คอยมองเราอยู่พร้อมจะหาโอกาสปรากฏตัวแล้วก็สําแดงตนเป็นเจ้าของสถานที่ จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าจินตนาการไปก่อนล่วงหน้าก็ได้ค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าป่าช้าร้างวัดร้างหรือว่าบ้านร้างแล้วนะคะคนเราทั่วไปเนี่ยก็มักจะกลัวไว้ก่อนเสมอที่กลัวก็เพราะว่าจิตของตัวเองทั้งๆที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็ไปเข้าใจหรือว่าคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าที่นั่นมีผีที่นี่มีสาง มีวิญญาณของพวกผีเปรตใครก็ตามที่เผลอตัวหลุดเข้าไปสู่อาณาจักรของมันเมื่อใดเป็นต้องได้เจอดีค่ะเพราะว่าผีแล้วก็เปรตเนี่ยทำอะไรของเขาได้ตามที่มันอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นการแลบลิ้นปลิ้นตาห้อยหัวจากคือปล่อยลิ้นยาวออกมาจนถึงพื้นหรือกระชากหัวของตัวเองให้หลุดออกมาจากบ่าแล้วก็เอาไปแก่งเล่นพร้อมกับทำตาปหลับประเหลือไปมา แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังหรือว่าตัวของบีเองถ้าเจอเข้าแบบนี้เนี่ยไม่นั่งตัวแข็งก็คงนอนตายตัวแข็งอยู่ที่นั่นแหละนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ตายนะคะแล้วก็ไม่นั่งตัวแข็งอยู่ที่นั่นก็คงจะต้องใส่เกียร์หมาวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากจุดนั้นโดยเร็วที่สุด แต่คนอย่างเราจะมีความแตกต่างจากพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญธรรมนะคะท่านเหล่านี้จะไม่มีคำว่ากลัวค่ะเพราะท่านถือว่า พวกผีพวกเปรตที่ปรากฏตัวให้เห็นนั้นพวกเขาก็มีกรรมหนักหน่วงก็เลยยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าท่านก็จะเกิดความสมเพศเวทนาในบาปกรรมของพวกเขาจึงต้องหาทางช่วยให้หลุดพ้นจากบ่วงบาปโดยการแผ่เมตตาบารมีธรรมไปให้เพื่อให้พวกเขาได้เกิดมีความชุ่มเย็นในดวงจิตขึ้นมาบ้างบางตนอาจจะหลุดพ้นได้ไปเกิดในสุขติภพอันเป็นภพที่มีแต่ความสุข วัดบางแห่งนะคะก็เคยเป็นป่าช้ามาก่อนค่ะที่จะกลายมาเป็นวัดเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ทำบุญสร้างกุศลด้วยการถือศีลภาวนาอันเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มีความเชื่อนะคะว่าการถือศีลภาวนาคือเส้นทางบุญสู่สวรรค์หลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้ว เกินมาซะยาวเชียวอ้าวเข้าเรื่องกันเลยละกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลาผ่านมานานหลายปีค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่บูดุเดือดระหว่างผีกับพระก็เลยเห็นควรจะนำมาลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับผู้ที่ะจนกับฤทธิ์ของผีเนี่ยก็คือหลวงพ่อทวีศักดิ์ขันตินทธโรแห่งวัดศรีนวลธรรมวิมลหนองแขมกรุงเทพมหานครนเนี่ยค่ะเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระหนุ่ม สุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงท่านเป็นพระหนุ่มที่ชอบออกทุดงเพื่อสแสวงหาความสงบสงัดเพื่อเจริญภาวนาสมณธรรมไปตามป่าตามเขาแล้วก็ในที่ที่เหมาะสมแก่การเจริญธรรมนั่นก็คือที่ที่เงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนนะคะหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านได้ปฏิบัติธรรมเช่นนี้เป็นระยะเวลายาวนานนับ10ปีโดยท่านถือทุดงเป็นวัดปฏิบัติตลอดเวลาออกพรรษาของทุกปี การทุดงของหลวงพ่อก็ได้ไปอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็สถานที่ที่วิเวกตามที่ได้กล่าวไปข้างตน้นซึ่งบางครั้งท่านก็จะออกทุดงเป็นหมู่คณะบางเวลาท่านก็จะออกทุดงเพียงท่านแค่รูปเดียวค่ะ สำหรับการออกธุดงในแต่ละครั้งท่านย่อมได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันแม้แต่เรื่องของสถานที่ก็เปลี่ยนไปในสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ยึดติดในสถานที่ท่านก็จะทำการย้ายสถานที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนเห็นสมควรแก่การเวลาท่านก็จะย้อนกลับไปที่เดิมที่ที่เคยนั่งเจริญสมาธินั่นเองค่ะ หลายครั้งที่ท่านได้พบเห็นกับสภาวะเหนือโลกแล้วก็เหนือธรรมชาติอันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อมีความมุมันะเขี้ยวกรัมจิตใจให้มีความเข้มแข็งคงทนต่ออุปสรรคขึ้นเป็นลำดับแล้วก็เกิดปัญญาเป็นลำดับลึกซึ้งอย่างถึงแก่นธรรมเป็นลำดับ จนหลวงพ่อไม่มีความรู้สึกหวาดหวั่นแล้วก็หวั่นไหวกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าหรือกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์ร้ายจำพวกเสือพวกสิงนะคะแล้วก็พวกผีร้ายที่เข้ามารุกรานค่ะ หลวงพ่อไม่มีอาวุธพวกปืนผ่าหน้าไม้หรือว่าท่อนไม้ท่อนเหล็กใดๆแล้วก็จะเอามาต่อสู้หรือว่าป้องกันตัวเองแต่ว่าหลวงพ่อมีอาวุธค่ะอาวุธที่กล่าวมาเป็นอาวุธทางธรรมเรียกว่าเป็นอาวุธที่วิเศษมากกว่าสามารถระงับจิตอันรุ่มร้อนโหดร้ายจิตอาฆาตเหล่านั้นได้อย่างอัศจรรย์นั่นก็คือการแผ่เมตตาอันเป็นกระแสธรรมบารมีที่ชุ่มเย็นเข้าสู่จิตใจของสัตว์ร้ายแล้วก็ผีร้ายที่กําลังรุ่มร้อน ให้เย็นลงสู่ความสงบเยือกเย็นแล้วก็เข้าสู่ภาวะจิตที่ปกติการออกธุดงของหลวงพ่อทวีศักดิ์ในคราวหนึ่งแตกต่างกว่าทุกคราวและท่านเองก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในชีวิตของท่านก็คือครั้งที่ท่าน ออกทุดงกรรมฐานไปทางจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็เลยเข้าไปในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านไปทางป่ากุยบุรีค่ะและที่นี่นี่เองที่หลวงพ่อได้พบกับกลุ่มนักศึกษาซึ่งตเตลิดเปิดเปิงหนีเข้าป่ากรณี6ตุลากระทั่งเดินทุดงมาถึงปราณบุรีซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากค่ายธนรัฐเท่าไหร่นะัก เวลานั้นก็เย็นมากแล้วหลวงพ่อจึงได้หยุดปักกรดที่ชายทุ่งใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านดกหนาพอกันแดดกันน้ำค้างได้และในเย็นวันนั้นนะคะก็มีลมแรงแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวหลวงพ่อท่านได้ขึงเชือกกรดอย่างแน่นหนาเพื่อสามารถต้านทานแรงลมได้ หลังจากที่หลวงพ่อได้ปักกลดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้ค่ะว่าแถบถิ่นที่ท่านปักกลดนั้นจะมีหนองน้ำพอได้อาศัยหรือไม่หากจะออกไปค้นหาพระอาทิตย์ก็เริ่มอ่อนแสงรำไรลงแล้วก็เลยอาศัยน้ำในกาที่ยังเหลืออยู่เอามาลูบเนื้อลูบตัวให้พอหายเหนียวนะคะแล้วก็เข้าทำวัดภายในกรดอันเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัติที่จะไม่สามารถละเว้นได้นะคะ เวลานั้นเป็นเวลาที่เงียบสงัดเพราะว่าเป็นเวลาที่สัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกหากินกันตอนกลางวันต่างก็หาที่หลับที่นอนอันเป็นวัตจักของพวกเขาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ช่วยนาตาปีส่วนสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สีเท้าต่างก็เตรียมตัวออกหากินเพราะว่าได้เวลาของเขาหลังจากที่นอนพักผ่อนมาตลอดช่วงระยะเวลากลางวัน หลังจากที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านได้ทำวัดเสร็จเรียบร้อยก็ได้เจริญสมาธิภาวนาต่อจนดึกซึ่งในขณะนั้นนั่นเองค่ะท่านก็สัมผัสรู้ว่ามีเสียงผิดปกติมาจากข้างนอกเหมือนเสียงย่ำเท้าของพวกทหารเป็นจังหวะเดินที่พร้อมเพรียงกันเสียงดังพรึบพรับนะคะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคน พวกเขาเดินซอยเท้าอยู่กับที่เสียงนั้นได้ยินอย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อก็เลยออกจากสมาธิเข้าสู่สภาวะปกติเพราะว่าท่านเกิดความสงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ใจหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นเสียงเดินของพวกทหารแต่ว่าในสภาวะการอย่างนี้ทหารที่ไหนจะมายืนซอยเท้าอยู่ที่นี่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าหรือว่าพวกเขาเดินผ่านมาทางนี้เห็นพระมาปักกรดอยู่ก็เลยอยากจะเข้ามาสนทนาธรรมด้วย คืนนั้นก็เป็นคืนเดือนแรมค่ะไม่ว่าจะบนฟ้าหรือบนดินคือมืดสนิทเสมอกันแม้ว่าบนฟ้าจะมีดวงดาวพลาวระยิบอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามแต่ว่าดาวแต่และดวงนั้นเปรียบได้กับแสงของหิ่งห้อยในความมืดบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่หลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็นิ่งตรองอยู่นานทุกอย่างไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆท่านก็เลยคว้าเอาไฟฉายที่วางอยู่ข้างๆแล้วก็แหวกกรดออกพร้อมกับกดสวิตช์ทันที ทำให้ลำแสงของไฟฉายนะคะแหวกความมืดไปยังที่มาของเสียงที่ย่ำอยู่เมื่อสักครูน่นี้ว่าต้องการจะรู้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่เป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนลำแสงของไฟฉายค่ะสัตว์เข้าไปเต็มๆเป็นทหารสี่คนในชุดลายพลางทุกคนหันหน้ามาทางกรดของหลวงพ่อแต่ว่าก็ทำให้หลวงพ่อเกิดความแปลกใจว่า ทำไมทหารทั้ง4คนนี้เนี่นิ่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่ยอมเคลื่อนไหวไปข้างหน้าหากแต่สาวเท้าอยู่กับที่เช่นนั้นหลวงพ่อเทหนักเห็นถึงความผิดปกติธรรมดากับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรท่านก็เลยเข้าสู่สมาธิสัมรวมจิตแผ่เมตตาออกไปซึ่งในขณะเดียวกันก็มีเสียงร้องโหยหวนเ ย, ย, ย, ย, ย็นเยือกหน้าเวทนาแล้วก็ขนลุกขนพองหน้าพรั่นพรึงสำหรับคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆ ท, ท, ทั่วไปถ้าหากว่า ว่าไปเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้นะคะ แต่ว่าสําหรับหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่เขี่ยวกรมอยู่กับความเร้นลับของป่ามาอย่างโชคชนอันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้จิตของท่านเนี่ยเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่านรู้แล้วนะคะว่าเสียงที่ร้องนั้นแท้ที่จริงแล้วพวกเขาต้องการให้รับรู้ว่ากําลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสขอให้พระพูดเจริญด้วยธรม ร, รมบารมีจงแผ่เมตตาเพื่อปลดปล่อยพวกเขา ให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ความทรมานที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยหลังจากที่ท่านได้แผ่เมตตาอันเป็นกุศลบารมีไปให้พวกเขาร่างที่เคยปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เสียงร้องที่โหยหวนก็ค่อยๆจางหายไปเหลือไว้แต่ความมืดแล้วก็ความว่างเปล่าที่เงียบสงบอันเป็นธรรมชาติของป่าในรติการเช่นนี้ หลวงพ่อทวีศักด์ก็เข้ากรดเจริญภาวนาธรรมกรรมฐานจนกระทั่งได้อรุณของวันใหม่นะคะท่านก็ออกจากกรดค่ะเพื่อล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็เก็บอัดถาบริขารต่างๆจากนั้นท่านก็เดินทางไปโปรดสัตว์อันเป็นกิจของสงฆ์ต่อไปหลวงพ่อทวีศักด์ได้ออกเดินทางไปบินทบาทเพื่อโปรดสัตว์ที่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากที่ท่านปักกรดเท่าไหร่นะ ในช่วงเวลาที่หลวงพ่อได้ออกเดินทางก็ยังคงเช้าตรู่อยู่นะคะแต่ว่าผู้คนก็ได้ออกไปทำไร่ทำนากันแทบจะทุกครัวเรือนจะเหลืออยู่แค่คนสูงอายุแล้วก็แม่บ้านส่วนหนึ่งซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนค่ะที่ตักบาตรหลวงพ่อในวันนั้น หลวงพ่อปักกลดอยู่ที่ไหนครับผู้สูงอายุท่านหนึ่งถามขึ้นมาตรงๆด้วยความอยากรู้หลวงพ่อก็เลยตอบไปนะฮะบอกว่าที่ชายทุ่งนู่นลยโยมเดินจากนี่ไปก็คงประมาณชั่วโมงหนึ่งเห็นจะได้ที่ตรงนั้นมันเป็นที่โล่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นประปรายห่างออกไปอีกหน่อยก็จะเป็นป่าดงดิบ เมื่อผู้สูงไวัยได้ยินเช่นนั้นถึงกับทำตาโตลุกวาวพร้อมกับถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งเมื่อคืนหลวงพ่อจำวัดปกติอยู่หรือเปล่าคารับหลวงพ่อก็ตอบปลายบอกว่าก็หลับเป็นปกติดีนะโยม ผู้สูงอายุของหมู่บ้านก็เลยได้เล่าเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวให้หลวงพ่อฟังถึงความเป็นมาของพื้นที่ตรงนั้นนะคะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นอะไรแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพื้นที่ตรงที่หลวงพ่อกางกรดเจริญภาวนานั้นนครับเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ทหารซ้อมรบนครับหลวงพ่อมีพระธุดงมาปักกรดเจริญภาวนาใ น, นที่ตรงนั้นหลายรูปแต่ก็อยู่กันไม่ได้บางองค์หนีทั้งกลางคืน ชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะเดินผ่านเนื่องจากในคราวหนึ่งมีครูฝึกนำทหารเกณฑ์มาฝึกในการคว่างระเบิด แต่ว่าครูฝึกทหารเกณฑ์คงไปทำอะไรพลาดเข้าก็เลยทำให้ระเบิดมือระเบิดตุ่มขึ้นมาตายคาที่ทันทีสีส่ศพรวมถึงครูฝึกด้วยตั้งแต่คราวนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็จะโดนกลุ่มผีทหารปรากฏตัวหลอกหลอนอยู่เสมอจนไม่มีใครกล้าที่จะเดินเข้าไปหาของป่าแถวนั้นเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ไม่เว้น เมื่อหลวงพ่อทวีศักดิ์ได้ฟังแบบนั้นท่านก็นิ่งสงบนะคะและตัวท่านเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าที่ตรงนั้นเป็นสนามฝึกของทหารและเคยมีทหารเสียชีวิตด้วยระเบิดมือถึงสี่นายดัยงนั้นวิญญาณที่ได้ปรากฏตัวให้ท่านเห็นเมื่อคืนก็คงจะเป็นทหารสี่นายนั่นแน่นอนท่านก็เลยได้แต่หวังว่าวิญญาณของทหารทั้ง4ีนายคงได้รับอนิสงส์ที่ท่านได้แผ่เมตตาไปให้ความร่วมร้อนของจิตใจก็คงจะ ค ล, ลายลงสู่ความสงบได้ที่กล่าวมานี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่หลวงพ่อทวีศักดิ์นะคะที่ท่านได้ประสบพบเจอมาแต่ว่าเรื่องต่อไปค่ะที่จะได้เล่าให้ฟังก็คือผีของอีบอร์ดค่ะอรารวาสผีอีบอร์ดนี่มันจะออกมาอรารวาสชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะรู้ฤทธิ์ของมันจนไม่มีใครกล้าสู้ผีอีบอร์ดตนนี้ได้มันจะออกมาปรากฏตัวแล้วก็อรารวาสก็ต่อเมื่อมันหิวค่ะ ผีอีบอดเป็นผีมีฤทธิ์สูงมากตนหนึ่งขนาดว่าพระธุดงค์เนี่ยมันยังเล่นงานกระเจิงมาแล้วหลายรูปชาวบ้านในเขตนั้นต่างก็กลัวอิทธิฤทธิ์ของอีบอร์ดกันทุกคนเมื่อคราวที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ได้จาริศธุดงค์ผ่านไปยังจังหวัดเพชรบุรีเขตอำเภอท่ายางตมบุรหนองเขาอ่อนหมู่บ้านห้วยผาดแล้วก็ได้ปักกลดเพื่อเจริญภาวนาเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมแล้วก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรค่ะ แรกก็เริ่มเดิมทีท่านได้ปักกลดเพื่อเจรเดินภาวนาชั่วระยะไม่กี่วันก็จะได้เดินทุดงต่อไปแต่แล้วท่านก็ต้องจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานานถึง6ปีค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากโยมพวงขหปตนีผู้ที่เป็นโยมที่มีอันจะกินแห่งตำบลหนองเขาอ่อนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากคนนึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านมาอ้อนวอนขอให้หลวงพ่อเนี่ยได้สร้างวัดขึ้นที่นี่ โดยอ้างเหตุผลว่าตลอดพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ยังไม่เคยมีวัดวาอารามเพื่อประกอบกิจการงานบุญงานกุศลหากว่าชาวบ้านจะไปทําบุญที่วัดก็ต้องเดินทางข้ามทุ่งนาไปค่นวันกว่าจะถึงวัดของตําบลอื่นตําบลหนองเขาอ่อนเนี่ยไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยได้วาพระไม่เคยได้กราบนมัสการพระสงฆ์แล้วก็ไม่เคยได้ตากบาททาบุญจนพวกเด็กๆทั้งหลายนี่แทบจะไม่รู้จักพระแล้ว โยมพวงคนนี้ยินดีที่จะถวายที่ดินให้สร้างวัดอย่างเต็มที่ส่วนว่าโยมคนอื่นๆก็พร้อมนะคะที่จะรับใช้อุทิศแรงกายแรงใจทุกอย่างอันเป็นกิจของทางวัดด้วยเหตุผลของโยมพวงหลวงพ่อทวีศักดิ์เนี่ยท่านก็เลยยอมรับมิมนแล้วก็ได้เริ่มสร้างวัดขึ้นค่ะ ในสมัยก่อนโน้นหมู่บ้านห้วยผาดตําตบนหนองเขาอ่อนเนี่ยยังมีความธุระกันด่านมากป่าดงโพรงไพรก็ยังคงสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็เถาวัลย์เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกสบายการไปมาหาสู่กันก็ยังคงอาศัยการเดินเท้าแล้วก็เดินทางด้วยม้านะคะการเดินทางในการขนสัมภาระก็ต้องอาศัยเกวียนพอถึงฤดูน้ําหลากก็แทบจะติดต่อกันไม่ได้เลยทีเดียว บ้านห้วยผาดก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพการขาดการติดต่อจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนอกจากจะไปมาหาสู่กันลําบากแล้วชาวบ้านก็ยังต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวกับภัยที่มองไม่เห็นตัวเข้ามารบกวนแล้วก็เข้ามาข่มขู่อยู่เป็นประจำจนไม่มีความสงบสุขกันเลยทีเดียวค่ะสิ่งเร้นลับของคนที่นี่ที่เขากลัวมากที่สุดเลยเห็นจะเป็นเรื่องของผีค่ะผีที่ว่าก็คือผีอีบอด เพราะว่ามันเป็นผีร้ายที่ชาวบ้านนี่กลัวกันมากไม่ว่าจะเป็นบ้านผาดห้วยคางถ้ำเสือห้วยตะาวายนหนองตะจิกแค่เอ่ยชื่อถึงผีอบอดนะคะชาวบ้านหลายคนเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่อยากออกจากบ้านไปทำมาหากินกันเลยทีเดียวเพราะว่าทุกคนต่างรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของผีอบอดถ้าหากว่าผีอบอดได้เข้าสิงใครแล้วถ้าหมอผีมาขับไล่มันแล้วแล้วก็มันไม่ยอมออกคนนั้นมีแต่ตายกับตายค่ะ ดังนั้นนะคะจึงต้องเอาใจมันเป็นพิเศษก็คือการหาเครื่องเส้นไหวจำพวกเป็ดไก่พวกเหล้าบุรี่ไปเส้นไหวประจำเรียกว่าถ้าไม่มีใครไปเส้นไหวมันเนี้ยนะคะมันก็จะออกมาอารวาดอีกครั้ง มีอยู่หลายครั้งค่ะที่ชาวบ้านแห่งนี้นิมนต์พระมาสร้างวัดแต่ก็ต้องเจอดีนะคะโดนผีอีบอดนี่มันเข้ามาขัดขวางทั้งหลอกทั้งหลอนทั้งเข้าสิงกระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าถึงกับอยู่กันไม่ได้เลยทีเดียวต้องรีบเก็บอัฐบริหารรีบไปจำพรรษาที่อื่นเมื่อพระยอมแพ้ผีอีบอดมันก็เลยได้ใจค่ะ เรียกว่ามันเป็นใหญ่ในละแวกนี้แต่เพียงผู้เดียวว่างั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะหลังจากที่หลวงพ่อทวีศากดิ์ได้เริ่มการสร้างวัดแล้วผีอีบอร์ดเนี่ยมันก็หายเงียบไปอย่างน่าสงสัยเรียกว่ามันหายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่มีใครรู้นะคะคือมันไม่โผล่หน้าออกมาอารวาสอีก หลายคนในหมู่บ้านค่ะต่างก็พูดกันเป็นคำเดียวบอกว่าอีบอรดเนี่ยมันคงได้เวลาไปผุดไปเกิดแล้วหรือไม่ก็ย ม, มทูตเนี่ยมาลากตัวมันลงนรกแหวกไหวยอยู่ในกระทะทองแดงที่น้ํากําลังเดือดปุดๆเพื่อชําระความชั่วแล้วก็ความบาปที่มันทําเอาไว้ชาวบ้านที่ได้เคยเจอกับอิทธิฤทธิ์ของผีอีบอร์ดต่างพากันโล่งอกโล่งใจค่ะหากไม่มีผีอีบอร์ดออกมาอารวาสชาวบ้านก็จะอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า เนื่องจากว่าทุกคนนะคะต่างก็หวาดกลัวต่อผีอีบอร์ดค่ะเมื่อใดที่มันต้องการอะไรมันก็จะไม่มีใครสามารถที่จะไปขัดใจมันได้ขืนขัดใจนี่มีเรื่องแน่นักเลงชัดๆนะคะผีอีบอร์ดเนี่ยหลวงพ่อทวีศักด์คท่านอย่างรู้ได้ด้วยสมาธิจิตนะคะว่าผีอีบอร์ดตนนี้มีฤทธิ์มากเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์คาถาแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญต่างคนต่างอยู่ จนกระทั่งท่านได้สร้างวัดเรียบร้อยแล้วนะคะหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็เลยเตรียมตัวจะออกธุดงต่อไปแม้ว่าโยมพวงแล้วก็ชาวบ้านอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่เป็นผลค่ะ ในขณะนั้นก็ได้มีพระธุดงค์มาปักกลดเจริญภาวนาอยู่ถึง16รูปเมื่อใดที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ออกธุดงค์พระสงฆ์เหล่านั้นก็จะแยกย้ายกันออกไปปฏิบัติธรรมตามวิถีของพระป่าเช่นกันและในวันสุดท้ายเป็นอันว่าวันที่หลวงพ่อเนี่ยรวมทั้งพระสงฆ์ในวัดอีกหลายรูปถึงกําหนดเวลาออกธุดงค์ท่านก็ได้จัดทําพิธีกรรมเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านโดยมีการวางสายศิลไว้โดยรอบบริเวณที่พระสงฆ์นั่งสวด ในวันนั้นมีชาวบ้านมาฟังเทศมากมายนะคะซึ่งในขณะที่พระสงฆ์กําลังสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะใส่เสื้อผ้ามอมแมมผิวดําวิ่งฝ่าศรัทธาธรรมที่กำลังนั่งพนมมือไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทํากิริยาเหมือนคนวิกลจริตผมเผผา ung, ยุง่งเหยิงกระเซาะกระเซิงค่ะในตาแข็งกร้าวพร้อมส่งเสียงคํารามลั่นประกาศศักดาอย่างดุดันและเกลี้ยวกราดทุกคนก็เข้าใจนใี่แะว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าวิกลจริตบรรดาชายชกันที่รูปร่างแข็งแรงก็เลยช่วยกันจับค่ะก็เกิดการขัดขืนต่อสู้กันขึ้นปรากฏว่าแรงของหญิงวิกลจริตนั้นมีพลังอย่างมหาศาลจนบรรดาผู้ชายที่เข้าไปช่วยกันจับตัวเธอเนี่ยถูกเวี่ยงกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางเมื่อมันสำแดงฤทเดชแล้วก็สักดานุภาพแล้วก็ประกาศเสียงดังอย่างผู้มีอํานาจว่ากูนี่แหละคืออีบอร์ดกูอยู่กูยังไม่ไปไหน โอ้แค่ได้ยินชื่อคำว่าอ e ีบอร์ดเท่านั้นแล้วค่ะทุกคนนี่เงียบกริบมองไปยังพระสงฆ์พูดเจริญด้วยบารมีธรรมก็ยังพออบอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ไวายนะคะที่จะอกสั่นขวัญแขวนเพราะชาว บ, บ้านทุกคนต่างก็รู้ถึงฤทธิ์ของอ e ีบอร์ดได้เป็นอย่างดีค่ะคิดว่ากูกลัวเหรอ มันพูดพร้อมกับเดินแหวกสายสินเข้าไปภายในแล้วก็ยืนจังก้ามองซ้ายมองขวาเวลาที่มันขยับตัวเนี่ยกลิ่นสาบฟุ้งกระจายชาวบ้านต้องรีบเอามืออุดจมูกค่ะกู ค, คืออีบอดพระอยู่ไหนวะกูไม่กลัวพระพระไม่มีปัญญาทำอะไรกูได้หรอกโว้ยเสียงนั้นประกาศอย่างแข็งกร้าวค่ะหลวงพ่อทวีศักดิ์ซึ่งนั่งอยู่หัวแถวท่าเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดแต่ว่าท่านไม่ได้ให้ความสาคัญก็ยังคงสวดมนต์ต่อไปเรื่อย ส่วนพระอีกสามรูปที่นั่งถัดจากท่านไปก็ยังมีสมาธิไม่หวั่นไหวแต่ว่าพระสงฆ์รูปต่อๆไปค่ะจนสุดท้ายท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ยังอ่อนพันษาทำท่าจะขยับตัววิ่งแต่ผู้ประกาศตัวเป็นผีอีบอดนะคะได้เดินเข้าไปใกลๆ้ๆได้สายศีลอย่างไม่เป็นมิตร แล้วก็บ่งบอกถึงความเครียดแค้นแล้วก็โกรธกริ้วหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันในตอนแรกเพราะว่าท่านเองเนี่ยคือไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนท่านก็เลยสวดพระคาถาพุทธาคมแต่ก็เป็นเรื่องแปลกนะคะที่ผีอีบอตเนี่มันท่องตามได้อย่างคล่องแคล่วไม่ว่าหลวงพ่อทวีศักดิ์นะคะท่านจะเปลี่ยนบทสวดไปเป็นคาถาบทอื่นอีบอตก็สวดได้อย่างคล่องแคล่วทุกบทค่ะ ก็แสดงว่าวิญญาณหรือว่าผีของอีบอดเนี่ยเมื่อครั้งมีชีวิตก็คงเป็นผู้ที่แก่วิชาอาคมแต่ว่าน่าเสียดายที่เธอนำมาใช้ในทางมิจฉาทิฐิแม้กระทั่งตายไปเป็นผีแล้วก็ยังไปมีความมืดบอดด้วยโทสะโมหะกล้าลบหลู่แม้กระทั่งสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ หลวงพ่อทวีศักดิ์เมื่อเห็นว่าทำอะไรผีอีบอร์ดเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเก่งเกินกว่าผีตัวอื่นที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคาถาอาคมยากที่จะสู้กับมันด้วยความเมตตาท่านก็เลยมองเห็นบาดน้ำพระพุทธมนต์ที่อยู่ตรงหน้าท่านฉุก ค, คิดขึ้นมาได้ค่ะว่าบาดนี้เนี่ยเป็นบริขารเครื่องยังชีพของสมณะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานอนุญาตให้แก่ภิกษุสงฆ์ได้ใช้โปรดสัตว์ เปรียบได้กับของวิเศษเกื้อกูลชีวิตของสงฆ์ให้อยู่รอดเพื่อสืบพระพุทธศาสนาต่อไปอีกทั้งยังเป็นบริการที่แสดงถึงความเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ช่วยลดละกิเลสความโลภของสัตว์โลกบัดนี้ค่ะยังมีน้ำพระพุทธมนต์อันสงบเย็นซึ่งก็สามารถสยบความเร่าร้อนของกิเลสได้สารพัดเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วนะคะหลวงพ่อทวีศักดิ์ ยกบาดน้ําพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็เทราตัวอีบอร์ดพร้อมกับเอาบาดในครอบหัวของผู้หญิงคนนั้นทันทีผีอีบอดนะคะในร่างของผู้หญิงคนนั้นทําท่าจะลุกขึ้นแล้วก็เดินหนีแต่ว่าลุกไม่ขึ้นนอกจากร้องโหยหวนตัวสั่นเทิมในที่สุดก็ฟุบลงแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าของหลวงพ่อทวีศักดินเอง หลวงพ่อทวีศักดิ์ไม่เห็นว่าร่างของผีอีบอร์ดอาศัยอยู่เนี่ยได้แน่นิ่งไปแล้วท่านก็เลยเอาบาดออกชาวบ้านที่วิ่งหนีเมื่อรู้ว่าหลวงพ่อทวีศักดิ์สยบผีอีบอร์ดได้ก็พากันกลับเข้ามาใหม่ค่ะพอดีกับผู้ที่ตกเป็นร่างของผีอีบอร์ดงวงเงียลุกขึ้นมาอย่างมึนงงเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะคะท่ามกลางผู้คนที่มากมายนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผีอีบอดผีนักเลงตัวนี้เนี่ยไม่ออกมาอาละวาดอีกเลยค่ะ มันหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยเรียกว่าไม่มีชื่ออยู่ในสมมนโนครัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยมีปรากฏว่ามันเข้าสิงอยู่ในร่างของใครอีกเลยทำให้คนในตำบลเขาอ่อนต่างก็มีความสุขสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ผีอีบอดก็เลยเหลียวไว้เพียงแค่ตำนานสำหรับคนรุ่นหลังเท่านั้นเองนะคะ เป็นยังไงระบอดเอ้ยนักเลงดีนะักเจอหลวงพ่อทวีศักดิ์เข้าไปอะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสําหรับพระเจอผีประจำวันนี้ขอคุณสําหรับการติดตามรับฟังค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบีด้วยนะคะผิดพลาดประการใดหรือว่าเรื่องราวที่นําเสนอนั้นไปขัดกับสิ่งที่คุณผู้ฟังในพื้นที่ที่ได้รับรู้มาก็ต้องกราบขออภัยด้วยพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ